ทวงว่าด้วยพระประวัติของพระสมาเนพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำพระนามว่าสุมานะไม่มีใครเสมอโดยธรรมทั้งปวงทรงสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงครั้งนั้นพระาศาสดาทรงลั่นอมตะเพรีในเมฆละบุรีคําสอนของพระชินเจ้ามีองค์เก้าประกอบด้วยธรรมฝ่ายขาว พระศาสดาพระองค์นั้นทรงชำนะกิเลสแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐสุดทรงสร้างนครคือพระสัตวธรรมซึ่งเป็นเมืองประเสริฐที่สุดพระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่คือสติปทานอันล้ำเลิศไม่มีอะไรขั้นไม่คดเป็นถนนตรงไพยบู์กว้างขวางทรงแผ่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกและสมาบัตแปดไว้บนถนนนั้น ชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มีกิเลสเพียงดังตะปูตรึงใจประกอบด้วยหิริและความเพียรชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถือเอาคุณอันประเสริฐนี้ได้อย่างสบายพระศ า, าสดาทรงช่วยเหลือมหาชนด้วยความเพียร น, นั้นอย่างนี้ทรงช่วยเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรให้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งพระมหาวีระตรัสสอนหมู่เดรีรถีในการใดในการนั้นทรงช่วยเหล่าสัตว์ประมาณแสนโกร ให้บรรลุธรรมในการแสดงธรรมครั้งที่สองในการเมื่อเทวดาและมนุษย์ผู้พร้อมเพลียงกันร่วมใจกันมาทูลถามนิโรธปัญหาและความสงสัยทางใจในการทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องแสดงนิโรธแม้ครั้งนั้นเราสับประมาณ9 0้า0มืโกธได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนณะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีการประชุมแห่งพระกีนาศพ ผู้ประสจากมนทินมีจิตสงบประ ง, งับผู้คงที่สามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วเมื่อทรงประกาศประวรนาพระตถาคตรทรงประวรณาพร้อมด้วยภิกษุประมาณแสนโกดจากนั้นในการประชุมกันที่สุวรรณบันพศอันสุขปลัง่งพระขีนาสกประมาณเก้าหมืโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง ในการเมื่อเท้าสักระเทวราชเดจเก้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระขีณาศพจำนวน8 0ด0มืนโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากมีชื่อว่าอัตุละเป็นผู้สร้างกุศลให้เจริญขึ้นครั้งนั้นเราพร้อมด้วยหมู่ญาติออกจากหน้าพิภพ บ, บำรุงพระชินเจ้าพร้อมทั้งประสงค์ด้วยดนตรีที่ผ่องพวกนา จัดอังฆาบ พ, พระสงฆ์สาวกประมาณแสนโกดให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้ำแล้วถวายผ้ารูปละหนึ่งคู่ได้ถึงพระชินเจ้าพระองค์นั้นเป็นสาระนะแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุวรณะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าเนกกลับอันประมาณไม่ได้นับจากกลับนี้ไปอาตุละพญานาคนี้จกเป็นพระพุทธเจ้า พระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกระเบลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพ ตามผลทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่จกทําประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตตภพพระมารดาผู้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโพดมพระโพลิตะเทระ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 ต้นไม้เป็นที่จรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสตรพฤรึกจิตตาก้าปอุบาสกและหัตถะผ้าปฎิอุบาส ก, ก, าาสกชาวเมืองอาลวีจกเป็นอครอุปถากนันทมามดาอุบาจิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอ克拉อุปถายะกาพระโกดมผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมายุประมาณร้อยปี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 เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทฐานกู น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหน่อพุทฐานกู น, นี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระตํรรัสของพระพุทธเจา้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทาจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิประกานให้ยิ่งขึ้นไปปรุงชื่อว่าเมฆละประศัตรพระนามว่าสุทัตะเป็นพระชนกพระนางสิริมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมานณะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองกรวาดอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือจันทประสาสตสุจันทประสาสตและวตังสะประสาสต มีนางสนมกํานันหกล้านสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าตังสกีพระราชโอรสพระนามว่าอนุปะมะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิสี่ประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวชแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระเจ้าพระนามว่าสุมนณะทรงเป็นผู้นาสัตว์โลก ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักเณเมฆลบุรีซึ่งเป็นเมืองประเสริฐที่สุดพระจรณะเถระและพระภาวิตตตะเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอุเทนะเป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนณะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระโสนาเถรีและพระอุปโสนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา แม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากทิงว่ารูณาอุบาสกและสรณาอุบาสกเป็นอครอุปถากจาลาอุบาสิ ก, กาและอุปจาลาอุบาสิ ก, กาเป็นอครอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงเก้าสบศอกทรงงดงามดังทองคําที่ล้ำค่ารุ่งเรืองไปทั่วมื่นจักรวาลขณะนั้น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 แสดงพระรัศมีที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปพระสัพรพัร์ยุตยญาณและพระรัตนไตรที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงเหล่านั้นทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะผู้ทรงพระยศเสด็จดับขันธปรินิพานที่อังคารามพระสถูป ข, ของพระชินเจ้านั้นสูง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 แม้พระองค์อันพรมทูลอาราธนาแล้วก็ทรงประกาศ พ, พระธรรมอันกำหนดด้วยขันและธาตุไม่เป็นไปในพบน้อยพบใหญ่ในการที่พระองค์ทร ง, สงแสดงธรรมการบรรลุธรรมมีสามครั้งผู้ได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจะคํานวณ น, นับไม่ได้เลยในการเมื่อพระมุนีพระนามว่าเรวตะทรงแนะนำพระเจ้าอริมธรมะเทวดาและมนุษย์จานวนพันโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สอง พระผู้องค์อาจกวานรชนเสด็จออกจากนิโรธาสมาบัติในวันที่เจ็ดทรงแนะนำเทวดาและมนุษย์ในอาราตผลจำนวนร้อยโกดพระชินเจ้าผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระนามว่าเรวตะได้มีการประชุมพระขีณาศพผู้ปราศจากมณฑินหลุดพ้นดีคงที่สามครั้งครั้งที่หนึ่งมีพระขีณาศพมาประชุมกันมากจนเกินกว่าที่จะนับ ครั้งที่สองมีพระขีนาศจำนวนแสนโกดมาประชุมกันในการเมื่อพระองค์ไม่มีใครเสมอด้วยพระปัญญาของพระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักแล้วทรงพระประชวนจวนจะเดจดับขันทปรินิพานครั้งที่สามมีพระขีนาศที่มาเข้าเฝ้าพระมุนีเพื่อทูลถามพระอาการประชวนของพระองค์ครั้งนั้นมีเทวดาและมนุษย์จานวนแสนโกดมาประชุมกัน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 ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพลที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสตะพฤกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระปิดาจักมีพระนามว่าสุโทธทนะ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 ตั้งมั่นดีจากเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสสัตตเพล็กจิตต้าข้าบดีอุบาสกและฮาทกะข้าบดีอุบาสกชาวเมืองอาลวีจากเป็นอัครอุปถากนันทมานดาอุบาสกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายากาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้น จากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณ น, นั้นยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนอพุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ปล่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่า ถ้าเราทั้งหลายจกพลาดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกู น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ้าแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ้าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราดพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกู น, นี้ในอนาคตการ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 พระเทวีพระนามว่าวิปุลาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตตผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองครวาต์อยู่6 0พันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุทัศเนประสาทรัตนคิประสาทและอเวละประสาทตกแต่งสวยงามบังเกิดเพราะบุญกรรมมีนางสนมกำนันสามล้านสามแสนนาง รวมประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุทัศนาพระราชโอรสพระนามว่าวรุณพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือรถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระชินเจ้าพระนามว่าเรวตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักประทับอยู่ที่วรุณารามพระวรุณเถระและพระพรหมเทพเถระเป็นพระอัครสาวกพระสัมภวเถระเป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระพัฒเถรีและพระสุพัฒเถรีเป็นพระอัครสาวิกาแม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้น ก็ได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากะถิงว่ารุณอุบาสกและสารพาอุบาสกเป็นอัครอุปถากปาลาอุบาสิ ก, กาและอุปปาลาอุบาสิ ก, กาเป็นอัคราอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอกทรงเปล่งพระรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังดวงอาทิตย์อุทยัย วงพระรัศมีอันยอดเยี่ยมที่เกิดในพระสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแผ่ไปโยชดยงโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหกหมื่นปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากทรงแสดงพุทธพลังแล้วประกาศอมตะธรรมในโลกไม่ทรงมีอุปทานเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว เพราะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้เลิศพระวรกายมีพระรัศมีดังทองพระธรรมก็ไม่มีอะไรเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขานทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอพระเรวตตพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีประยศผู้เป็นมหามุนีเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระบรมสารีริกทาตของพระองค์ แผ่ไปยังกว้างขวางในนานาอารยประเทศเช น, นี้แหลเรวตะพุทธวงศ์ที่ห้าจบหโสพิตะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระโสพิตพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะทรงเป็นผู้นำมีพระทัยสงบมั่นคงไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบ พระเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงยินดีในพระราชวังของพระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณโดยสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจากแล้วจากเบื้องบนจดอเวจีมหานรกจากเบื้องแรกจรดพระวัคคพลมในระหว่างนี้มีบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจากแก่บริษัทนั้นผู้ได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจะคานวณ น, นับมิได้เลย หลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมในสมาคมของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ประมาณเก้าหมื่นโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการนั้นพระราชบุตรผู้เป็นประสาทพระนามว่าชัยยเสนทรงรับสั่งให้สร้างพระอารามอีกหนึ่งแห่งน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุทรงสแสดงธรรมประกาศการบูชาของประสาทพระองค์นี้ เทวดาและมนุษย์ประมาณพันโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระนามว่าโสพิตะได้มีวามประชุมแห่งพระศีนาศผู้ปราศจากมนฑินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพระราชาทรงพระนามว่าอุคตะพระองค์นั้นทรงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนในทานนั้น พระอาหารหันต์ประมาณร้อยโกดมาประชุมกันครั้งนั้นมิมูคณะมาถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนพระอาหารหันต์ประมาณเก้าสบโกดมาประชุมกันครั้งที่สองในการเมื่อพระชินเจ้าทรงเสด็จจาพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงพระอาหารหันต์ประมาณ80บโกดมาประชุมกันครั้งที่สาม สมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะเราได้อำค่ะพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกก็ทรงพยากรณ์เราว่าเนยกับอันประมาณไม่ได้จะกกลับนี้ไปสุชาตะพราหมณ์นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัฒน์ที่น่ารื่นรม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 จักเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน์จักเป็นพระอุปทาบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะเสิ่มราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีประภาพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤก จิตตาข้าบดีอุบาสกและหัตถะข้าบดีอุบาสกชาวเมืองอรารวีจกเป็นอครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอครอุปถายิกาพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้ว ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจกพลาดศาสนาของพระโล ก, กนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอ่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้ว ก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงค่าแม่น้ำใหญ่ไปชั้นใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพระพ r a t นเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอ่อกุฏางูนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื่นตันใจได้บําเพ็ญความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุประโยชน์นั้นกรุงชื่อว่าสุธรรมประศัตรพระนามว่าสุธรรมเป็นพระชนก พระเทวีพระนามว่าสุธรรมมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโสพิตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือขุมมุท ธ, ธาพประสาทนาลินีประสาทและปทุมะประสาทมีนางสนมกำนันสี่หมืนสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่า มกิลาพระราชโอรสพระนามว่าสีหะพระองค์ผู้เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปผนวชทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าโสภิตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณพระอุทยานสุธรรมมาอันประเสริฐ พระอสมะเทระและพระสุเนตเถระเป็นพระอัครสาวกพระอโนมเถระเป็นโอปปทากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนักุลาเถรีและพระสุชาตาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาและพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้ที่โคนต้นกากะถิงรามาอุบาสกและสุเนตอุบาสก เป็นอ克拉อุปถากนักกุลาอุบาสิกาและจิตตาอุบาสิกาเป็นอ克拉อุปถาญากาพระมหามุนีทรงมีพระวรากายสูงห้าสดศอกทรงเปล่งพระรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังดวงอาทิตย์อุทยัยคํำสั่งสอนของพระองค์อบไปด้วยกลิ่นศีลเปรียบเหมือนป่าไม้ที่มีดอกปานสะพรั่งอบไปด้วยกลิ่นต่างๆคําสอนของพระองค์ใครๆไม่เบื่อจะฟัง เหมือนสาครนที่ใครๆไม่เบื่อที่จะเห็นขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณเก้าหมืปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนที่ข้ามค้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงประทานพระโอวาทและการพร่ำสอนทรงสั่งสอนหมู่ชนที่เหลือให้เผากิเลสแล้วปรินิพานแดงเปลวไฟไหม้เชื้อแล้วดับไป พระพุทธเจ้าผู้หาใครเสมอเหมือนไม่ได้และสาวกผู้บรรลุพระธรรมทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระโสพิจาสสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐเสด็จดับขันธปรินิพานที่สีหารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แพ่ไปยังกว้างขวางในานานาอาระยะประเทศชนี้แหล โสพิตะพุทธวงศ์ที่หจบ 7. อโนมมัสีพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระอนุมัสีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัสีผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์มีพระยศหาประมาณมิได้ทรงมีประเดชยากที่จะล่วงได้ พระองค์ทรงตัดกิเลสเครื่องผูกได้ทุกอย่างทรงทำลายภพทั้งสามแล้วทรงแสดงทางที่มีการไปไม่หวนกลับแก่หมู่เทวดาและมนุษย์พระองค์ทรงเป็นผู้ไม่วันไหวดังมหาสมุทรหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากดังภูเขาทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ดังอากาศทรงงดงามด้วยมหาบุริชลักษณะและพระอนุพยัญชนะดังต้นพยาม้สละที่มีดอกบานสะพรั่ง ชาติทั้งหลายย่อมยินดีแม้ด้วยการเห็นพระพุทธองค์สัตว์เหล่านั้นได้สดับพระดารัสที่กําลังตรัสแล้วย่อมบรรลุอมะตะธรรมครั้งนั้นในการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์การบรรลุธรรมเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปอย่างกว้างขวางเทวดาและมนุษย์ประมาณร้อยโกรธได้บรรลุธรรมสมัยต่อมาในการตรัสพระธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังฝนเคยธรรให้ตกอยู่ เทวดาและมนุษย์ประมาณ80บโกรธได้บรรลุธรรมสมัยต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ยังทานน้ําคือทําให้หลั่งไหลทำหมูสาตย์อิ่มน้ําเทวดาและมนุษย์ประมาณ78ดโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สาเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมทัติสีพระองค์นั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้บรรลุอภิญญาและพละธรรม ผู้เบิกบานด้วยการหลุดพ้นสามครั้งครั้งนั้นพระขีนาสกผู้ละความมัวเมาและความหลงผู้มีจิตสงบประงับผู้คงที่ประมาณแปดแสนรูปมาประชุมกันพระขีนาสกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนปราศจากทุรีคือกิเลสผู้มีจิตสงบประงับผู้คงที่จํานวนเจ็ดแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง พระขีนาศกผู้บรรลุอภิญญาและพระธรรมดักกิเลสได้แล้วมีตบะประมาณหกแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเกิดเป็นยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากวางอำนาจเป็นใหญ่กว่ายักษ์หลายโกรธแม้ครั้งนั้นเราก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงสแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้วได้อังฆาาพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก พร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำครั้งนั้นแม้พระมุนีผู้มีนัยนาบริสุทธิ์พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณมิได้นับจากกลับนี้ไปยักษ์ตนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตด้วยเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขประกรารจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลานิโครธ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 บำรงพระชนนเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเทรีและพระอุบลวันนาเทรีผู้ไม่มีอาสะวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตาข้าบดีอุบาสกและหัตถะข้าบดีอุบาส ก, ก, าาสกชาวเมืองอาลวีจากเป็นอัครอุปถา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 ทางคบเปล่งเสียงโวร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัชการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธทางภูนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพราท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปชันใดเราทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพราพระชินจ้าพระองค์นี้ ก็จะพร้อมหน้าหน่อพุททางกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระตํารัตของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื้นตันใจได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าจันทวดีกระตัิย์พระนามว่ายัศวาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าอโนมัทศี พระองค์ทรงครองคราวาชอยู่หมื่นปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสิริประสาทอุปสิริประสาทและวัฒประสาทมีนางสนมกำนันสองหมื่นสามพันนางล้วมประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิริมาพระราชโอรสพระนามว่าอุปสาละพระชินาเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงวอทองออกผนวดแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระมหามุนีพระนามว่าอโนมทัทสีผู้อันพรมทูลพราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณพระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐพระนิสพะเทระและพระอโนมัเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวรณะเป็นพระอุปถาก ของพระศาสดาพระนามว่าอนโนมทัศสีพระสุนทราเทรีและพระสุมนาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นรกฟ้านั่นที่วัฒอุบาสกและสิริวัฒอุบาสกเป็นอัครอุปถากอุปลาอุบาสิกาและปะทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายยกา พระมหามุนีทรงมีพระวรากายสูงห้าสิบแปดศอกพระองค์มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกสว่างสวยดังดวงอาทิตย์อุทยัยขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้คล่ำพ้นได้เป็นจํานวนมากศาสนาของพระชินเจ้าบาลสพรังงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ ปราศจากราคะและไม่มีมนถินพระาศาสดาพระองค์นั้นผู้มีประยชน์หาประมาณไม่ได้และคู่พระอัครสาวกผู้ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขานทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอพระชิ น, นะาศาสดาพระนามว่าอนุมัตสีเสด็จดับขันธปรินิพานที่ธรมมรามพระสถูป ข, ของพระชินเจ้านั้นที่ธรรมารามนั้น สูงยี่สิบห้าโยธชันี้แหลอโน ม, มทัศ ส, สีพุทโธงที่เจ็ดจก